ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อกลั่นธรรมโชติวัดพญาติการามตำบลเลยนะก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสครอง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 ซึ่งเรื่องนี้แม้ท่านจะไม่ได้บอกทุกเช้าเมื่อได้อรุณหลวงพ่อตันกับภิกษุสามเณร ทุกเช้าจะเห็นเรือภัยลำเล็กๆหลายลำมีพระเนน ที่เห็นดำๆนั่นไม่ใช่เอาอะไรไปคลุมหรอกๆเรือไม่ เมื่อหลวงพ่อกลั่นพายเรือต่อไปอีกาก็จะลงมาเกาะใหม่แล้วก็จะทําอย่างเนี้ยทุกครั้ง แต่ว่านี่เป็นเรื่องที่แปลกมากมันกลับไม่กล้าล่วงละเมิดอาหาร พระท่านขึ้นบนศาลาก่อนหลวงพ่อกัลล์ฉันซึ่งฝูงอีกาเป็น 100 ตัวจะเกาะตามระเบียงบ้างแล้วก็ราย บางครั้งมันก็เกิดการทะเลาะวิวาทแย่งอาหารจิกตีกันโอฬารมันหลวง วันนั้นไม่มีอีกาตัวไหนบิน เช้าวันรุ่งขึ้นมีการแล้วก็จากไปจนหมดบุญอัตถิเช้าวันนั้นครับนั่น หลวงพ่อกลั่นวัดๆอยู่ครอบครัวนึงอยู่แถวๆวัด เจ้าของกระท่อมนี้ชื่อนางแก้วอาศัยอยู่กับลูกชายลูกชายชื่อนายกล้าอยู่ ผู้เป็นแม่จะว่ากล่าวตักเตือนยังไงมันก็ไม่ บ่อยครั้งที่นายกล้านี่ขโมยเอาข้าวของในบ้านไปขายไปจำนองเอาเงินไปเที่ยวเตร่กับเพื่อนฝูงบ่มากลับมาก็ออกนิสัยเดิมทำลายข้าวของภายในบ้านแล้วยังที่อื่นเพราะ นี่คนแท้ๆกลับไม่มีข้าวจะแด่มัน ลุกไปเก็บไปกวาดให้เสร็จอืมก็ไม่ใช่ความหวังดี ยกกล้ามันคำรามลั่นนครที่จะอีก เสร็จแล้วกําปั้นล้วนๆของไอ้เจ้ากล้าลูกทรพีก็ทิ่มเข้าที่แก้มผู้เป็นแม่อย่าง แล้วก็เสร็จแล้วก็บังคับมือนึงกำด้ามนี้จิ้มเข้าไปที่ลําคอก็ เมื่อชาวก็ไปรับจ้างๆเพื่อนบ้านที่ยืนคุมเชิงก็ นั่งแก้วพรษیเสสแล้วรักถูก nervous อีกลักล้านนี้� ho trulyimer เสี่ยววินาทีนั้นเพื่อนบ้านคนหนึ่งก็เอาม้านั่งตัวเตี้ยๆขวางทางเอาไว้เพราะรู้ว่ามันกําลังจะมาทาง ชาวบ้านกลุ่มนึงครูเข้าไปหาไอ้กล้าก่อนที่จะรุมกระทืบคนคนละที 2 ทีเสียงตุบตับ ไอ้ลูกเทหลพีอย่างนี้อ่ะฮะกอกกันหนังแก้วออกไปแล้วบวมเจือเป็นปากคลุดเนี่ยเลือดไหลกลบปากนอนช้อน มีเพื่อนบ้านที่หายโมโหแล้ว เพื่อนบ้านที่เคยโกรธเคืองก็ให้อาไปว่าอยากจะได้บ้านหลังใหม่ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปๆน่ะแม่ แล้วก็ช่วยกันทำมาหากินไม่ไปคบหาเพื่อนฝูงเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วเออถ้าจะว่าว่าอย่างนี้ล่ะมั้งที่เขาครับนั่นก็เป็นเรื่องจริง วันต่อไปครับสวัสดีครับไปครับสวัสดีครับเดี๋ยววัน 2 กันหน่อยคุณแม่ของคุณนี่เป็นคนลูกๆรู้เลยเมื่อไหร่ก็ ขากลับเนี่ยก็เอาติดกลับมาด้วยทุก โดยที่ไม่ได้คิดจะหยิบออกมาใช้หรือว่าให้คนอื่นไม่ๆน้อยๆรู้สึกจะเป็นความสุข 4 การ ให้ใครทั้งนั้นเพียงแต่รอเวลาแล้วก็แม่เกิดมีธุระขึ้นมาเออนี่ใครเห็นใครเห็นแว่นตาแม่ ที่เกี่ยวกับการหาของของแม่น้องแม่คนเดียวเท่านั้นที่จะมีแต่เรื่องของหายคุณปากกาได้ยินได้ฟังบ่อย แต่ว่าคุณประกาศมั่นใจว่าๆครั้งตามวิสัยคนยังสาวเพราะว่าการที่ของของคนอื่นหายไป เดินวนเวียนหาก็ๆกรรมใดใครก่อคนนั้นก็สวัสดี